ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรันลสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นคำพีชินาลังการะดีกาแปลพระพุทธรักิิตาอาจารย์ชาศีลังการจนาข้าพเจ้าขอนอบน้อมแล้วซึ่งพระชินจ้าพระองค์นั้นผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วผู้ทรงเป็นเผ่าพันผู้เดียวของโลกทั้งปวงแม้พระองค์ใด ทรงไม่มีผู้เปรียบเทียบทรงเป็นผู้สูงสุดในผู้ตะโลกโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลขอท่านทั้งหลายโปรดจงฟังข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันหน้าพิศวงนี้อันไพบู์ไม่มีมนทินเป็นโพธิสมภารอันเป็นเหตุเป็นผลที่ถึงพระสุคตเจ้าตามสมควรแก่เหตุเดิด ในคาถานั้นมีอธิบายดังต่อไปนี้คำว่านั ต, ตวานะนอบน้อมแล้วคือไหว้แล้วโดยเคารพโดยทวารสามคำว่าอาหังข้าพเจาพ้าคือพระพุทธรกีตาจารย์ย่อมแสดงประชุมแห่งธาตุอันได้วูหารว่าอัตตาคำว่าชี้นางตังซึ่งพระชินเจา้าพระองค์นั้นคือซึ่งพระชินเจา้าพระองค์นั้น ผู้ทรงพระนามว่าชีนะเพราะพระองค์ทรงชนะมารห้าคือขันธมารกิเลสมารอภิสังขารมารมัจจุมารและเทวปุตตมารบทว่าสมมปะจิตตะสุพังผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วคือผู้ได้สั่งสมบำเพ็ญได้แก่ทาความดีคืออิทธผลอันงามให้สำเร็จแล้วหมายถึงผู้มีบุญ คำว่าสัตว์โลเ ก, กะพันทุงผู้ทรงเป็นเผ่าพัน์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงคือทรงเป็นเผ่าพัน์ผู้ไม่มีตหายของสัตว์โลกแม้ทั้งสิ้นก็เผ่าพัน์ได้แก่อัตภาพหนึ่งเดียวเป็นเช่นหนึ่งเดียวของพระผู้มีพระภาะพระองค์นั้นเป็นผู้ได้รับความสุขในคราวที่มีสุขเป็นผู้ได้รับความทุกข์ในคราวที่มีทุกข์ พระผู้มีพระภาค พ, พระองค์นี้ชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันุ์เพราะมีความผูกพันดุจบิดาของบุตรจริงอยู่บิดานั้นย่อมเป็นเผ่าพันธุ์ของบุตรหลานเป็นต้นของตนไม่เป็นเผ่าพันธุ์ของชนเหล่าอื่นส่วนพระผู้มีพระภาคย่อมทรงเป็นเผ่าพันธุ์ของสัตว์ทั้งปวงไม่ว่าจะเป็นผู้ใดคือจะเป็นพระเทวทัตนางจินจัมานวิกา นางมาซันธิยะบรามณีก็หรือพระโอรสราหุนก็ตามพระผู้มีพระภาพทรงเห็นพวกเขาทั้งหมดในการที่พวกเขามีความสุขก็ทรงบันเทิงด้วยอำนาจมุติตาทรงเห็นในการที่พวกเขามีความทุกข์และกระทำบาปทรงมีพระไัยไหวด้วยพระกรุณาทรงมีความลำบากเพราะฉะนั้นจึงทรงชื่อว่าเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวง คำว่านาหูไม่มีคือไม่ได้มีแล้วคำว่าเยนาปิพระองค์ใดคือพระผู้มีพระภาคพระองค์ใดอภิสับใช้ในความยกย่องคำว่าตุลยโยผู้เปรียบเทียบคือผู้เหมือนกันคำว่ากุศละมหิมโ ah ตโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลคือโดยอนุภาพแห่งกุศล คำว่าอุตโตโมทรงเป็นผู้สูงสุดคือผู้เจริญที่สุดได้แก่ผู้ประเสริฐที่สุดคำว่าภูตะโลเกภูตะโลกทรงเป็นผู้สูงสุดคาว่าภูตะโลเกภูตะโลกคือสัตวโลกคำว่าตัสเสวะพระองค์นั้นคือพระผู้มีพระภาคพระองค์นั้นคำว่าอิมังนี้คือที่กำลังกล่าวอยู่บัดนี้ คำว่าสุวิมหังอันหน้าพิสวงคือหน้าพิศวงอย่างยิ่งได้แก่หน้าอัศจรย์ยิ่งน่าแปลกใจยิ่งคำว่าสุวิปุลังอันไพบู์คือจํานวนมากคําว่าอะมะลังไม่มีมณทินคือปราศจากมณทินมีราคะเป็นต้นคําว่าโพธิสัมภาระภูตังเหตุงเป็นโพธิสมผานอันเป็นเหตุ คือเหตุมีธาตและศีลเป็นต้นอันเป็นอุปการะแก่พระโพธิญาณคําว่าเหตุวานุรูปังตามสมควรแก่เหตุเถิดคือเหมาะสมแก่เหตุคําว่าสุขตะคตะพลังผลที่ถึงพระสุคตเจ้าคือผลที่ถึงภาวะเป็นพระตถาคตเจ้าผลกล่าวคือธรรมกายและรูปกายที่พึงกล่าวถึงด้วยสุขตะสัพอันใด ขอท่านทั้งหลายจงฟังข้าพเจ้ากล่าวถึงผลคือความผูกพันของพระสุคตเจ้านั้นนี้เป็นการพนานาตามลำดับบทในคาถานี้ถ้อยคำที่ส่งเนื้อความมีดังต่อไปนี้ก็พระมหาบุรุษใดได้กระทําการสั่งสมบุญมหาศาลในการที่กาหนดประมาณนี้ได้จำเดิมแต่กระทําความปรารถนาแทบบาดมูลพระพุทธเจ้าที่ังกอ จนถึงเสวยพระชาติเป็นพระเวสสันดรแล้วยกนางมัต ส, สีให้แก่ครามเมื่อแบ่งบุญที่สัตว์อันไม่มีที่สุดในอนันตโลกธาตุทำไว้เป็นส่วนๆและแบ่งบุญที่มหาบุรุษผู้เดียวทำไว้เป็นส่วนๆแล้วนับเทียบกันบุญของสัตว์อันไม่มีที่สุดเหล่านั้นยังไม่ถึงร้อยเซี้ยวพันเซี้ยวแห่งบุญของพระมหาบุรุษ มหาบุรุษทรงกระทำสิ่งที่ใครๆคิดหาข้อเปรียบเทียบไม่ได้ทรงสั่งสมคุณความดีไว้แล้วทรงเป็นเผ่าพันธุ้ไม่มีสหายแห่งโลกแม้ทั้งปวงจึงอย่างนั้นพระมหาบุรุษสวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตตะโสมะทรงแสดงธรรมแก่พระเจ้าปุริษาสตผู้จับพระราชาร้อยเอ็ดองค์ทั่วชมพูทวีปคิดจะทาการเส้นสูงเทียพระเจ้า เจาะฝ่าพระหัตต์ของพระราชาเหล่านั้นเอาถววรร้อยแขวนไว้กับกิ่งต้นไทร ส, สมไฟนั่งถากเหลาอยู่โดยในต่างๆทรมานคือฝึกอบรมพระเจ้าโพธิสัตว์นั้นแล้วช่วยเหลือพระราชาร้อยเอ็ดพระองค์ให้พ้นจากพันธนาการแล้วให้กลับไปดำรงอยู่ในราชาสมบัติของแต่ละพระองค์เรื่องย่อก็มีอยู่ว่าพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพระเจ้าสุตตโสมะ ถูกโจรปุริศาสตรระสหายซึ่งเดิมก็เป็นพระเจ้าพมทัตถูกชาวเมืองนรประเทศเอกไปเพราะว่าเสวยเนื้อมนุษย์ไปอาศาัยอยู่ที่โคนต้นไทรดักจับคนเดินทางฆ่าเอาเนื้อมาปรุงอาหารกินจึงถูกขนานนามว่าปุริศาสตแปลว่ามีคนเป็นอาหารปริศาสก็คือมนุษย์อัตทะก็แปลว่าอาหารปริศาสตก็หมายถึงมีมนุษย์เป็นอาหาร จับพระองค์ไปเพื่อประหารบูชายันแต่พระองค์ก็ได้ทรงสั่งสอนให้พระสหายรู้จักผิดชอบชั่วดีจนสามารถกลับตัวและยังได้ตรงช่วยปลดปล่อยพระราชาผู้เป็นพระสหายอีกร้อยเอ็ดพระองค์ให้พ้นจากอันตรายด้วยพระมหาบุรุษสวยพระชาติเป็นสุ ป, ปะปารกะบัณฑิตเมื่อเคลื่อนทะเลหมุนม้วนอย่างแรงมาตรงหน้า เรือที่พวกพ่อค้าเจ็ดร้อยคนโดยสารมาได้ทำสัจจากิริยาทิฏฐานพาเรือไปถึงท่าของตนกระทำให้มีความสวัสดีเรื่องย่อก็มีว่าพระโพธิสัตสวยประชาิเป็นต้นหนชื่อสุป ป, ปารกกถูกน้ำทะเลซัดในตาจนบอดแต่ก็ยังเลี้ยงชีพด้วยวิชาต้นหนนที่ตนเรียนมาจากบิดาได้พาพวกพ่อค้าข้ามทะเลโดยบอกชื่อและลักษณะ แห่งทะเลให้พวกพักให้พวกพ่อขาซาพระมหาบุรุษสวยพระชาติเกิดเป็นมโหสถบัณฑิตเมื่อพระเจ้าพรมทัท์ทรงนำกองทัพสิบแปดอักโหพนะและพระราชาร้อยเอ็ดองทั่วชมพูทวีปมาล้อมกรุงมิถิลาประมาณเจ็ดยอดมีได้ทำร้ายใครให้เสียโลหิตแม้แต่เพียงหยดพอที่มแมลงวันจะดื่กินได้ กระทำให้ทุกคนไม่เหลือแม้แต่ผ้าที่ผูกไว้ที่ท้องขับไล่ข้าศึกทั้งหมดให้หนีไปแล้วได้กระทาความสวัสดีแด่พระพาดาแก่ชาวพระนครทั้งสิน้นและแก่ชาวแว่นแคว้นกองทัพอักโขพนหนึ่งก็มีองค์สี่ก็คือกองช้างกองทัพช้างกองทัพมา้ากองทัพรถกองกองทัพผลเดินเท้าจำนวนมากขนาดเห ย, ยบ ไปบนไม้ไผ่หกสิบมัดมัดละหกสิบลำจนไม้ไผ่ทั้งหมดแหลกละเอียดเรียกว่าอโคพณะสิบแปดอโขอพณะก็มีความเกียงไกลเพิ่มขึ้นอีกสิบเจ็ดเท่าก็จําจนวนมากมหาศาลมโหสถบัณฑิตนั้นใช้ให้คนของตนทําลายตุ่มสุราเจือยาพิษที่พระเจ้าพรมทัตทรงเชื่อคําของเกวตัตตบัณฑิตซึ่งอดีตก็คือ ปัจจุบันมาเป็นพระเทวทัตเทวตา บ, บัณฑิตนำบริจัดงานมหรสพดื่มน้ำชัยบาลรับสั่งให้ผสมไว้เพื่อจะโปร่งพระชนพระราชาร้อยเอ็ดองทั่วชมพูทวีดแล้วได้ให้ทานชีวิตเมื่อพระราชาทั้งหลายและกองทัพทั้งปวงเข้าอยู่ในอุโมงมโหสถบัณฑิตปิดปิดประตูอุโมงแล้วใช้ดาบขู่พระเจ้าพรหมทัตซึ่งอยู่พระองค์เดียวเมื่อพระเจ้าพรหมทัตตรัสว่าดูกนบัณฑิต ราชสมบัติทั่วชมพูทวีปเป็นของท่านแม้จะสามารถฆ่าพระราชาทั้งปวงแล้วยึดราชสมบัติทั่วชมพูทวีปแต่ก็ทิ้งดุดถ่มก้อนเขระได้ถวายดาบแด่พระราชาแล้วเปิดประตูอุโมองค์ได้กระทัำความสวัส ด, ดีแก่สัตว์ทั้งหลายเรื่องย่อก็มีว่าพระโพธิสัตว์สวยประชาติเป็นมโหสถบัณฑิตมีปัญญามากเฉลิ้วฉลาดแก้ไขปัญหาต่างๆที่ตนได้ประสบสําเร็จทุกเรื่อง เมื่อเจริญไวัยได้เข้ารับราชการเป็นบัณฑิตป ร, ระจําราชสำนักของพระเจ้าวิเทหะในกรุงมิถิราแควนวิเทหะและได้รับการแต่งตั้งเป็นเสนาบดีในการต่อมาเมื่อพระเจ้าวิเทหะสวรรคตได้ไปรับราชการอยู่ประจําในราชสำนักของพระเจ้าจุรณีในกรุงปัญจาระแควนกัปปิละท่านใช้ปัญญาแก้ไขปัญหาของราชสำนักทั้งสองแห่งและแก้ปัญหาต่างๆที่เกิดกับตน เนื่องจากบัณฑิตเก่าในราชสำนักคอยหาเรื่องใส่ความท่านท่านมีภรรยาชื่ออมราเทวีมีปัญญาเฉลิขฉลาดคอยช่วยแก้ปัญหาให้อีกด้วยเมื่อทั้นสิ้นอายุแล้วก็ไปเกิดในเทวโลกการที่พระโพธิสัตว์การที่พระโพ ธ, พพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นมนุษย์แล้วได้กระทำสิ่งใดสิ่งนั้นไม่น่าอัศจรรย์พระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นสัตว์เดรัจฉาน บังเกิดในกำเนิดปลาเมื่อฝนไม่ตกน้ำในที่นั้ น, น, นแห้งไปได้เห็นปลาทั้งหลายถูกกาและแร้งเป็นต้นจิตกินอยู่แล้วคิดว่าเมื่อยังมีเราอยู่พวกพร้อมของเราจะพิฆาไปได้อย่างไรในกระทาสัจจคิริยาแล้วมองดูอากาศกล่าวกับพระเจ้าปัจชุณเทพเจ้าว่าข้าแต่ปัจชุณเทพท่านจงร้องคำรามให้ฝนตกมา ทำลายคุมทรัพย์ของฝูงกาทำฝูงกาให้ได้รับความเศร้าโศกและจงช่วยปลดเปรื่องข้าพเจ้าและหมู่าติให้พ้นจากความเศร้าโศกเถิดทำให้ฝนตกลงมาแล้วก็ได้กระทำความสวัสดีแก่สัตว์ทั้งปวงพระโพธิสัตว์สวยพระชาติเป็นพยาวานนพาฝูงวานนจจำนวนแป0หมื่นตัวไปอาศัยอยู่ใกล้ๆต้นมะม่วงมีผลอร่อย ข้างฝั่งแม่น้ำคงคาในป่าหิมพานผลทั้งหลายที่กิ่งหนึ่งของต้นมะม่วงนั้นตกลงในน้ำพวกวานอนนั้นคิดว่าภัยจากมีเพราะมะม่วงที่ตกลงจากกิ่งนั้นเป็นเหตุจึงช่วยกันทำลายผลมะม่วงที่กิ่งนั้นตั้งแต่เวลาที่เป็นดอกคือออกช่อผลมะม่วงสุกผลหนึ่งมีรังมดแดงปิดบังไม่มีวานอนตัวไหนมองเห็นได้หล่นลงในน้ำแล้วลอยไปตามกระแสน้ำ พระเจ้ากรุงพาราณสีทรงสงถนานในแม่น้ำทรงเห็นแล้วทรงเสวยเพราะทรงติดรถจึงเสด็จไปทางเหนือแม่น้ำคงคาทรงเห็นต้นมะม่วงแล้วรับสั่งให้ตั้งค่ายพักประทับแรมพวกวานอนเหล่านั้นพากันขึ้นต้นมะม่วงกักกินผลในเวลากลางคืนพวกมนุษย์ทราบเหตุนั้นแล้วพากันถือคบเพลิงถือธนูล้อมต้นมะม่วงตั้งใจว่า พอรุ่งเช้าก็จะยิงพวกวานอนให้ตายแล้วกินมะม่วงกับเนื้อวานอนมหาภัยเกิดขึ้นแล้วแก่ฝูงวานอนในขณะนั้นพระมหาสัตว์คิดว่าทนอย่างไรหนอพวกญาติของเราจึงจะรอดพ้นได้มองหาวิธีอยู่คิดจะหนีไปทางแม่น้ำคงคาจึงโดดไปจากต้นมะม่วงลอยไปตกลงที่ยอดพุ่มไม้ข้างฝั่งโน้นแห่งแม่น้ำคงคาระยะไกลประมาณห้าร้อยชั่วตุุกถนู ตัดเถวะตัดเถาวายมาผูกต่อๆกันผูกปลายหวายข้างหนึ่งที่ต้นไม้ฝั่งนั้นผูกปลายอีกข้างหนึ่งที่สะเอวของตนแล้วกระโดดแล่นตรงกลับไปยังต้นมะม่วงเนื่องจากเส้นหวายไม่พอจึงเกาะกินต้นมะม่วงแล้วได้ให้อานาสัญญาณแก่พวกวานอนให้ไต่หนีไปบนหลังของตนพวกวานอนเหล่านั้นทั้งหมดพากันไหว้พระโพธิสัต์พยาวานอนนั้น แล้วเหยียบหลังพญาวานน์ไต่เส้นไหวายหนีไปในครั้งนั้นพระเทวทัตเกิดอยู่ในหมู่วานนนั้นคิดว่าเวลานี้เราจะเห็นหลังศัตรูจึงขึ้นกิ่งมะม่วงสูงแล้วก็กระโดดลงเหยียบกลางหลังของพญาวานน์ไต่เส้นไหวายหนีไปเพราะเทวทัตวานนโดดลงอย่างเต็มแรงหัวใจของพญาวานนก็แตกแล้ว พระโริสัตพยาวานอนนั้นอดกลั้นเวทนาอย่างมหันขนาดนั้นก็มิได้ปล่อยมือที่จับกิ่งมะม่วงครั้นสว่างแล้วเมื่อพระราชารับสั่งให้แก้พยาวานอนนั้นจากเส้นหวายนั้นโดยอุบายวิธีให้อาบน้ําแล้วให้ใช้น้ํามันที่เคี่ยวร้อยครั้งพันครั้งบีบนวดให้นอนบนที่นอนอันตสบายตรัสถามว่าเหตุ hey, ไรท่านจึงได้กระทําทุกรักิริยาอย่างนี้ จึงกราบทูลความที่ตนเป็นพยาแห่งวานอนและกิริยาที่ตนกระทําแล้วได้แสดงธรรมโดยนายเป็นต้นว่าขอถวายพระพรมหาปิฏฐธรรมดาพระราชาเมื่อมีภัยเกิดขึ้นพึงสนับชีวิตของตนแล้วให้มหาชนคือบริวานหนีไปดังนี้แล้วถึงแก่กรรมเพราะความบาปเจ็บที่ได้รับนั้นแลในครั้งนั้นพระราชาโปรดให้ชาปนติตกพยาวานอนอนั้น โดยทํานองที่พึงกระทําแก่พระราชาทรงเก็บอัติธาตุกลับพระนครทรงสร้างเจดีย์บรรจุกระทําการบูชาด้วยประการฉนี้พระมหาบุรุษได้กระทําอุปการะซึ่งแม้มารดาบิดาทั้งหลายไม่อาจที่จะกระทําแก่ศัพท์ทั้งหลายในชาติที่สั่งสมบารมีอันนับประมาณมีได้โดยนายเป็นต้นว่าสละชีวิตของพระองค์ เรื่องพวกพ้องให้พ้นจากทุกข์ถามว่าพระองค์ตรัสรูเเรเรสร้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วหรือตอบว่ายังไม่ได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าก็ได้เปลื้องสัตว์ทั้งหลายออกจากทุกข์แล้วแลได้ช่วยเหลือสัตว์จํานวนมากให้ดํารงอยู่ในความสุขอันเป็นโลกิยาเพราะว่ายัางไม่ได้เป็นพระพุทธเจ้าก็เลยยังไม่สามารถที่จะสอนให้แนะนําให้อยู่ในความสุขที่เป็นโลกุตระแต่ว่าเขาช่วย ฝดเรื่องทุกในวัตตะได้พอสมควรจริงอย่างนั้นพระมหาบุรุษพาสัตว์ทั้งหลายอันหาประมาณนี้ได้ไปบวชแล้วอบรมสั่งสอนนำบำเพ็ญเพียรมรณภาพไปเกิดในพรหมโลกคือสัตว์ในสมาคมมูขะปักขะชาดกก็คือพระเตมีใบสมาคมของกุฏาละบัณฑิตคือบัณฑิตจอบเหียนสมาคมของอายคระบัณฑิต สมาคมของหัตถิปาละสมาคมของสารพังคะาศาสดาเป็นต้นในมูค้าปขาชาดกก็คือในเตมิยะชาดกพระเตมิยะกุมารโพธิสัตว์ก็ออกบวชมีพระราชาเมืองอื่นออกบวชตามหลายพระองค์ได้สำเร็จฌานสมาบัติมรณภาพก็ไปเกิด บ, บังเกิดในพรหมโลกในกุฎาละชาดกพระโพธิสัตว์เกิดในตระกูลของคนตูปผัก เก็บักขายเลี้ยงชีพภายหลังก็ออกบวชไปรือศีก็มีจอบเที่ยนๆอยู่จอบที่กรุดๆอยู่ก็ไปบวชถึงหกครั้งครั้งที่เจ็ดก็เอาจอบนั้นไปโยนน้ําแล้วก็เปล่งวาจาว่าชนะแล้วนะภายหลังก็ดูน้ํานั่นแหละแล้วก็แสดงธรรมแก่พระราชาพระราชาก็มาอยู่ในที่นั้นพอดีนะก็เห็นน้ําแล้วก็เจริญอาโปกถินนะได้ พิญญ า, าได้ชาได้พิญญาแล้วก็บวชเป็นฤาษีก็แสดงธรรมแต่พระราชาจนทรงเรื่อมใสแล้วก็เสด็จออกบวชพร้อมด้วยข้าราชบริพารพวกฤาษีรวมตัวกันกินบริเวณพื้นที่ถึงสิบสองโยชนในอโยคระชาดกพระโพธิสาต์สวยพระชาติเป็นพระโอรสของพระเจ้า พ, พรหมทัตต่อมาก็ได้ทูลลาพระมารดาและพระบิดาออกบวชเพราะว่าสลดใจกับตนเองนะว่า พี่ชายสองคนก็ถูกยักษ์เนี่ยมาจับเอาไปกินนะตอนเด็กๆพระองค์ก็เลยถูกให้คนเอาไปเรี้ยงอยู่ในอวังซึ่งทําเป็นเรือนจําที่เป็นเหล็กออโยอโยคะอโยนี่แปลว่าเหล็กนะคระแปลว่าเรือนใช้เรือนเหล็กอยู่ในเรือนเหล็กนั้นเพื่อป้องกันยักษ์พวกอํามตะทั้งหลายก็ถูกว่ายักษ์กลัวเหล็กอในเรือนเหล็กนี้ยักษ์เข้าไปไม่ได้ก็ได้อยู่แต่ในเรือนเหล็ก ภายหลังก็ทรงทราบแล้วก็เลยสลดใจก็ออกบวชพระมารดาพระบิดาพร้อมข้ะราชบริพารได้พากันออกบวชตามชุมชนก็มีกันมากกินบริเวณถึงสิบสองโยชนเหมือนกันส่วนในหัตถิปาราชาดกพระโพธิสัตว์ก็เกิดเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าเอสุกาลีในกรุงพารณาณสีภายหลังก็ได้ออกบวชเป็นฤาษีมีประชาชนออกบวชตามชุมนุมกันกินบริเวณถึงสิบสองโยชนเหมือนกัน ในสารพันค่าชาดกพระบริษัทก็เกิดเป็นบุตรของปุโรหิตของพระเจ้าพรมทัตในกรุงพาราณสีภายหลังได้มีความคิดว่าถ้าตนมีตำแหน่งหน้าที่ใหญ่โตก็จะต้องมีภรรยามีบุตรที่ดา ม, มากขณะนี้ตัวคนเดียวควรจะเข้าป่าบวชเป็นฤาษีแล้วหนีไปบวชโดยไม่บอกให้ใครทราบเพราะว่าถ้ามีบุตรมีภรรยามี การมาคุณมากขึ้นมากขึ้นก็คงจะออกบวชไม่ได้เครื่องผูกพันก็จะต้องมีมากเพราะฉะนั้นไปตาตอนนี้เลยแหละต่อมามานาบิดามิตรสหายติดตามไปจนพบแล้วก็บวชอยู่ด้วยกันและได้มีพระราชาทั้งหลายเสด็จออกพนวดมาอยู่ด้วยเพิ่มจํานวนขึ้นเรื่อยๆจนมีฤาษีจํานวนหลายแสนรูปก็เป็นศาสดาเป็นสารพันคศาสดาไปนะพระโพสต์ก็นําคนให้ออกจากทุกข์มากมายให้ไป เกิดในเพโมโลกมากมายสัตว์โดยสารทั้งหลายและมนุษย์ทั้งหลายยังจิตให้เลื่อมใสในคณะแห่งฤาษีแล้วบังเกิดในสวรรค์เป็นจํานวนมากด้วยประการชนิดบัดนี้พระองค์ทรงบรรลุพระสัพพัญญุตญาแล้วทรงประทานวิมุติรสคือน้ําแห่งความหลุดพ้นรสแห่งความหลุดพ้นให้ตัดทั้งหลายประมาณแปสิบสี่อสงไขยได้ดื่มแล้วแม้พระองค์จะปรินิพานไปแล้ว ก็ยังทรงฝากพระธรรมทรงฝากพระธาศสรีระเพื่อเป็นอุปการะแก่สัตว์ทั้งหลายไปจนถึงห้าพันปีแม้บิดาเพียงคนเดียวก็ยังไม่สามารถที่จะ ก, กระทำอุปการะอย่างนี้แก่บุตรคนเดียวของตนได้ส่วนพระพุทธองค์เพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแม้เวลาที่ยังเป็นพระโพธิสัตว์แม้เวลาที่ตัดรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วทรงปลดเปื่องสัตว์ทั้งหลายอันหาประามาณนี้ได้ ออกจากทุกขอันหาประมาณนี้ได้ทรงยังสัตว์อันหาประมาณนี้ได้ให้ดำรงอยู่ในความสุขสิ้นระยะเวลาหาประมาณนี้ได้เพราะฉะนั้นพระพุทธเจ้าพระองค์นี้แหลจึงชื่อว่าทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวงข้าพเจ้าขอนอบน้อมแล้วซึ่งพระชินเจ้าพระองค์นั้นผู้สั่งสมคุณความดีไว้แล้วผู้ทรงเป็นเผ่าพันธุ์ผู้เดียวของโลกทั้งปวง พระพุทธเจ้าแม้พระองค์ใดซึ่งหาบุคคลเปรียบเทียบที่สูงสุดในภูตลโลกโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลไม่ได้ในข้อนั้นคำว่ากุศลมะ ah ิมะโตโดยความยิ่งใหญ่ด้วยกุศลคือโดยความยิ่งใหญ่ที่ได้มาแล้วได้แก่โดยอนุภาพที่ได้มาแล้วด้วยกุศลอธิบายว่าโดยพุทธานุภาพ บุคคลที่เสมอหรือว่าสูงสุดกว่าพระองค์ย่อมไม่มีในการไหนแต่พระพุทธเจ้าในอดีตทั้งหลายและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั้งหลายย่อมเสมอกับพระองค์ส่วนบุคคลที่มีคุณยิ่งกว่าพระองค์ย่อมไม่มีแม้ว่าในการไหนๆเพราะเหตุนั้นพระองค์จึงตรัสว่าตถาคตหาผู้เสมอมีได้คือไม่มีตับสัตว์เท่าพระองค์ เพราะไม่มีบุคคลจะเทียบเท่าได้เสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอไม่ได้คือทรงเป็นผู้เสมอกับพระสัพพันญูพุทธเจ้าทั้งหลายเสมอกับบุคคลผู้หาผู้เสมอไม่ได้คือเป็นผู้เสมอกับพระสัพพันญูพุทธเจ้าทั้งหลายทั้งในอดีตและอนาคตซึ่งหาผู้เสมอไม่ได้ไม่มีอัตภาพใดเหมือนคือไม่มีอัตภาพอื่นเหมือนอัตภาพของพระองค์ แม้ในสิ่งที่พวกมนุษย์ใช้เงินทองสร้างรูปเหมือนนั้นก็ไม่มีใครสามารถสร้างให้เหมือนพระองค์เลยแม้แต่น้อยไม่มีผู้ทากิจเปรียบเทียบคือไม่มีผู้เทียบทานคือไม่มีใครสามารถเปลี่ยนแปลงธรรมที่พระองค์แสดงไว้เช่นสติปัฏฐานสี่ที่ตรงแสดงไว้ไม่มีใครสามารถลดให้เหลือเป็นสามประการหรือว่าเพิ่มให้เป็นห้าประการได้จึงอย่างนั้น เพราะไม่มีบุคคลผู้ที่เสมอหรือยิ่งกว่าพระองค์ในวันที่พระองค์ประสูตจากพระคันของพระมารดาเทวดาทั้งหลายในหมื่นโลกธาตุช่วยกันกระทาหน้าที่พี่เลี้ยงในขณะที่ประสูติแล้วพระองค์ทรงหันพระพักไปทางทิศอุดรเสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าแล้วทรงบรร ล, ลือศีหนาะถให้ได้ยินถึงเทวดาและพรมหาประมาณมิได้ว่าอคโคหมัสสมิโลกาสะ เราคือผู้เลิศของโลกเสดโถหมัสสมิโลกัสสะเราคือผู้เจริญที่สุดของโลกเศษโถหมัสสมิโลกัสสะเราคือผู้ประเสริฐที่สุดของโลกอยะมันติมาชาติชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายนัตติดานิปุนพพโวบัดนี้พบใหม่ไม่มีอีกต่อไปอีกอย่างหนึ่งพอพระองค์ประสสูตร เสด็จดำเนินไปเจ็ดเก้าพระองค์เองทรงเปลือยพระอวตายแต่ปรากฏแก่ผู้เห็นเป็นดุจทรงนุ่งผ้ากาสีมิได้ประดับตกแต่งก็ปรากฏเป็นดุจเท้าสกเทวราชผู้ประดับตกแต่งทรงเป็นพระกุมารแต่ก็ปรากฏเป็นดุจกุมารอายุสิบหกปีแม้เสด็จดำเนินไปด้วยพระบาทบนพื้นดินก็ปรากฏเป็นดุจเสด็จลอยไปทางอากาศ ในขณะนั้นเท้ามหาพรหมทรงกั้นเสวิตชัตรกินบริเวณสามโยศเทา้าสกะทรงเป่าสังวิชยุทธเท้าสุยามะทรงถวายงานพัดวารวีชนีเท้าสันดุสิตทรงถวายงานพัดก้านตาลแก้วมณีเทวดาและพรหมทั้งหลายผู้อยู่ในหมื่นจักรวาลทั้งสิน้นได้กระทําการบูชาแล้วด้วยประการชนีในเรื่องนี้จะพนานาอะไรให้มากความเล่า ก็เมื่อมหาบุรุษนั้นประทับยืนบนรรพชาอยู่ที่ริมฝั่งแม่น้ำอโนมาคติการะมหาพรหมในพรหมโลกชั้นสุดถาวาถือบริขานแปดมาถวายมหาบุรุษแล้วถือเอาผ้าสาดกที่มหาบุรุษนั้นนุ่งหม่มจีวรใหม่แล้วก็ทิ้งถามว่าเปรียบเหมือนอะไรตอบว่าเปรียบเหมือนช่างย้อมมอบผ้าสาดสะอาดให้แกอิสรชน แล้วรับเอาผ้าสาดกสกรปรกที่อิตรชนนั้นทิ้งแล้วจากไปฉันใดคติการะมหาพรหมนั้นก็ฉันนั้นรับเอาผ้าสาดที่มหาบุรุษทิ้งแล้วไปทําสถูปผ้าคือทุสเจดีสูงสิบสองโยชนในพรมโลกเมื่อเป็นเช่นนั้นจะพึงกล่าวอะไรในความที่มหาบุรุษนั้นเป็นผู้เจริญที่สุดประเสริฐที่สุดในโลกทั้งปวง พระพุทธเจ้าแม้พระองค์ใดไม่ได้มีบุคคลที่เสมอหรือบุคคลที่สูงสุดในสัตวโลกโดยความเป็นผู้ยิ่งใหญ่ด้วยกุศลอย่างนี้ในคำว่าตัดเสเววังขอโทษครับในคำว่าตัดเสเวมังสุวิมหังสุวิปุละมะมะลังโพธิสัมภาระภูตังเหตุง เรื่องราวของพระผู้มีพระภาคเจ้าพระองค์นั้นอันหน้าพิสวง์นี้อันไพ่บู์ไม่มีมนทินเป็นโพธิสมภารอันเป็นเหตุคำว่าสุวินมหังอันหน้าพิศว ง, ค, วว ง, นนศวงคือเป็นที่ตั้งแห่งความพิสวง์อย่างยิ่งแม้ได้ฟังแม้คิดถึงก็ก่อให้เกิดความกลัวได้แก่ก่อให้เกิดความกลัวแก่ผู้ฟังคำว่าพระมหาบุรุษสวยพระชาติเป็นกระตายวิ่งเข้ากองไฟ สวยพระชาติเป็นพยาครุดนอนตะแคงข้างปิ้งเนื้อปิ้งเนื้อตนบนฐานเพลิงให้เป็นฐานสวยพระชาติเป็นพระเจ้าศรีวิราชออควักลูกตาทั้งสองให้เป็นฐานเป็นต้นแม้การที่จะเชื่อว่าชื่อว่าใครแลจะสามารถประทําได้ก็ยังยากเพราะฉะนั้นจึงน้าพิศวงคำว่าสุวิปุลังอันัยบูนคือมากอย่างยิ่ง คือมากอย่างยิ่งโดยในเป็นต้นว่าพระโพธิสัตได้ให้โลหิตเป็นทานจนกระทั่งน้ำในมหาสมุทรทั้งสี่พ่ายแพ้ได้ให้เนื้อเป็นทานจนกระทั่งในจนกระทั่งดินในแผ่นดินทั้งสิ้นก็พ่ายแพ้ได้ให้สีสระเป็นทานจนกระทั่งภูเขาสีเนรุราชพ่ายแพ้คำว่าอะมะลังไม่มีมนฑินคือไร่มนฑิน ได้แก่เว้นจากมนทีนคือราคะโทสะโมหะเพราะพระโพธิสัตว์เวสสันดรตรัสไว้ว่าเมื่อเราคิดถึงความเป็นจริงจิตของเราก็ตั้งมั่นไม่หวั่นไหวในขณะนั้นแผ่นดินภูเขาสิเนรุราและราวบาก็หวั่นไหวความไม่หวั่นไหวในการให้ศีจะเป็นต้นย่อมไม่มีนั่นเทียวอธิบายว่า ขอท่านทั้งหลายโปดรดจงฟังข้าพเจ้ากล่าวถึงเรื่องราวอันชื่อว่าไม่มีมนทินเพราะจิตเป็นสภาพไม่หดทูคงสภาพเว้นจากโทษมีโลภะเป็นต้นเป็นสัมภาระแก่พระโพธิญาณอันเป็นเหตุแห่งทานเป็นต้นซึ่งได้มาตามเหตุอันเป็นผลของพระตถาคตเจ้ากล่าวคือความเป็นพระพุทธเจ้า พันนาคาถาแสดงความนอบน้อมจบแล้วขอให้ท่านสาธุชนทั้งหลายยังศรัท ธ, ธาที่มีในใจให้เจริญขึ้นให้ยิ่งยิ่งขึ้นพอกพูนมากขึ้นโดยได้ฟังคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอันท่านพระพุทธรัตติตาจารย์นี้ได้รัจนาไว้เป็นพระพุทธคุณชื่อว่าชินารังการะดีกานี้ขอให้ท่านทั้งหลายได้ปลูกศรัท ธ, ธาเพิ่มพูนให้เป็นอินทรีย์เป็นพร ะ, ระ เพื่อยังวิริยะสติสมาธิปัญญาให้พ่อปูนเพื่อความถึงพร้อมแห่งการประชุมกันของอินทรีพละและในที่สุดก็ขอให้ประชุมโพชฌงและอริยมรรยมรรยมมีองแปขอให้ตัดรู้อริยมรรยผลโดยการไม่เนื่นช้าโดยทั่วกันด้วยเทินสาธุสาธุสาธุ